บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะที่ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติมีเป็นหลักใจนั้นคืออาตาปีความเพียรที่เผากิเลสให้เร่าร้อนสัมปชานะหรือสัมปชัญญะความรู้ทั่วพร้อม ซึ่งได้แสดงมาแล้วโดยลำดับในข้อที่สมนั้นทรงใช้คำว่าสติมาซึ่งแปลว่าเป็นผู้มีสติหมายความว่าในชั้นของการปฏิบัติทำความสงบจิตนั้นเรื่องไอเรื่องของสติมีอุปการะธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสติ เป็นเครื่องใช้กำหนดระลึกอารมณ์ต่างๆที่บุคคลกำหนดระลึกในขณะนั้นนั้นชั้นของสมถกรรมฐานคือการทำใจให้สงบสติจึงต้องใช้มากอย่างที่ท่านอุปมาการปฏิบัติสมถกรรมฐานเอาไว้ว่าสตินั้นเปรียบเหมือนเชือกอารมณ์นั้นเปรียบเหมือนกับปลักที่ผูกเชือกไว้ ส่วนจิตนั้นเปรียบเหมือนลูกโคที่กาลังโซนเชือกจะต้องผูกมัดลูกโคเอาไว้กับหลักตลอดเวลาถึงแม้ลูกโคจะดิ้นไปในที่ต่างๆก็ไม่เกินไปจากที่เชือกมัดไว้แต่บางขณะเมื่อดิ้นมากไปเชือกอาจจะขาดได้บุคคลก็ต้องต่อเชือกเข้าใหม่แล้วลูกโคก็จะวิ่งไปเช่นเดิม เมื่อนานเข้าจะคุ้นเคยกับสถานที่เหล่านั้นแล้วแกก็จะสงบนอนอยู่ใกล้หลักนั่นเองการปฏิบัติสมถกรรมฐานมีลักษณะอย่างนั้นสติที่บุคคลกำหนดระลึกอารมณ์ต่างๆมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นนั้นจึงเปรียบเหมือนกับเชือกที่ผูกไว้กับหลักส่วนจิตจึงตามปกติ ธรรมชาติธรรมดาของจิตแล้วก็จะ ต, ต้องสัดสายไปในอารมณ์ต่างๆอยู่เรื่อยไปซากเท่าที่ยังไม่เข้าสู่ความสงบหรือไม่เข้าถึงอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าเอกคตาสติทาหน้าที่หลายอย่างมีลักษณะที่ควรกาหนดดังนี้ประการแรกคือการระลึกได้หมายถึงการระลึกถึงเรื่องที่ทำ คำที่พูดและสิ่งที่คิดทั้งของตนและของบุคคลอื่นแม่นานมาแล้วได้เมื่อเราวโดยสรุป ก, ก็คือระลึกถึงสิ่งที่เคยผ่านพบมาได้ท่นเองอเการระลึกในลักษณะนี้บุคคลสามารถระลึกมาได้ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีดังนั้นในชั้นของการใช้งาน ท่านจึงใช้คำว่าระลึกได้ก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดและก่อนที่จะคิดซึ่งก็หมายความว่าบทเรียนในอดีตนั่นเองที่บุคคลนำมาระลึกแยกแยะได้แล้วอะไรที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเนื่องจากมีประสบการณ์มาในอดีตแล้วก็ละเว้นไม่กระทำสิ่งเหล่านั้นส่วนอะไรที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญ อาศัยประสบการณ์ในอดีตนั่นเองก็ตัดสินใจลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามเส้นทางสายนั้นเนื่องจากธรรมะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลมีสภาพคงตัวอยู่เช่นนั้นตลอดไปมไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการบรรจบ ก, กันทรงสแสดงไว้ว่าอากุศลธรรมกับกุศลธรรมนั้นเหมือนฝั่งแม่น้ำสองฝั่ง ไม่มีโอกาสจะบรรจบกันได้หรือเหมือนกับแผ่นดินกับท้องฟ้าห่างไกลกันอย่างนี้เพื่อเป็นเครื่องชีให้เห็นว่าประสบการณ์ในอดีตของบุคคลที่ผ่านพบมาทั้งดีและไม่ดีนั้นมแม้เมื่อบุคคลลงมือประพฤติกระทำในปัจจุบันผลก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันและเมื่อได้กระทำพูดคิดไปแล้วก็ระลึกได้ ว่าทำพูดคิดไปถูกต้องตามที่กำหนดไว้หรือไม่บบเพราะมีอยู่ไม่น้อยที่บางโอกาสบางขณะเนื่องจากความเป็นไปของจิตนั้นเร็ ว, วกำหนดไม่ทันตั้งใจว่าจะพูดจะทำอย่างหนึ่งจะเกิดไปพูดไปทำซะอีกอย่างหนึ่งซึ่งในชั้นของศีลท่านเรียกว่าพรังหรือพลาดเ <c oughs> <c oughs> นื่องจากเจตนาเป็นอย่าง เนื่องจากเจตนาเป็นอย่างหนึ่งแต่การกระทากับการพูดเป็นอีกอย่างหนึ่งทางศีลท่านจึงไม่ปรับว่าเป็นการขาดศีลแต่ถือเป็นการพลังหรือการพลาดทางนี้ต้องหมายความว่าแก้ไขทันคือระลึกได้แล้วว่าที่พูดทำไปนั้นผิดแล้วแก้ไขจะได้เช่นเขาถามวันเราบอกวันเขาผิดแล้วก็บอกซ้าไปอีกทีหนึ่ง แสดงว่าสติทาหน้าที่เลิกได้ว่า <c oughs> ได้พูดผิดไปแล้วก็พูดเสียใหม่ก็กลายเป็นความถูกต้องขึ้นมาเรื่องของสติจึงต้องใช้ถึงสามช่วงด้วยกันเมื่อใช้ได้ทั้งสามช่วงแล้ ว, ลวความผิดพลาดต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งบาลีท่านใช้คำว่าธารณะคือหมายถึงทรงไว้ดำรงเรื่องเหล่านั้นเอาไว อย่างเช่นการกำหนดสติระลึ ก, กลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธหรือเจริญกรรมฐานข้ออื่นก็าตามสติกับอารมณ์จะต้องมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่ตลอดไปสติจะไม่พรากไปจากอารมณ์ของกรรมฐานเหล่านั้นแม้ในชั้นการดำรงชีวิตประจำวันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือสติจะดำรงอยู่ และทรงสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่ให้แกว่งไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้บางคราวก็เป็นเรื่องของความนึกได้คือนึกเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาได้อาการนึกกับอาการระลึกก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ระลึกแต่นึกนั้นบางครั้งก็เป็นการนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาในอดีต บางครั้งประสบปัจจัยเข้ามาสนับสนุนในปัจจุบันปัจจัยที่ก่อให้เกิดความระลึกได้นั้นมีหลายอย่างตัวการที่สําคัญที่สุดก็คือตัวของความจําที่เรียกว่าสัญญาอะไรที่จําไว้ได้มากๆ ก, ก็นึกได้เร็วเมื่อต้องการจะใช้สิ่งเหล่านั้นก็นํามาใช้ได้แต่บางครั้งอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามากระตุ้น ซึ่งปัจจัยนั้นบางคราวก็เป็นปัจจัยตร ง, ตรงเช่นว่าเคยรู้จักกับนายกมาแล้วก็จานายกได้จนลืมไปพอพบขึ้นมาก็นึกได้ว่าคนนี้คือนายกเนื่องจากได้เคยพบเห็นกันมาแล้วนี่แสดงว่าการนึกได้ในลักษณะนั้นอาศัยปัจจัยตรงเข้ามากระตุน้นคือบุคคลคนนั้นนั่นเอง อีกประการหนึ่งเป็นปัจจัยที่ใกล้เคียงกันเช่นสมมติว่าไปเห็นควายแล้วก็นึกถึงโคได้ทั้งที่ไม่ได้เห็นโคในขณะนั้ น, น, นเพราะควายมีลักษณะใกล้เคียงกับโคบางคราวก็เป็นปัจจัยที่ตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นเช่นว่าเห็นสีดำแล้วก็นึกถึงสีขาวได้เป็นต้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความระลึกนั้น หรือความนึกได้นั้นนึกได้หรือนึกออกนั้นมีหลายอย่างดังนี้แต่บางคราวก็เป็นเรื่องที่เก็บไว้ภายในใจเวลาว่างขึ้นมาจิตใจมีความสงบพอสมควรก็นึกถึงเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาได้ถ้าความสงบเกิดขึ้นแก่จิตใจมากบางครั้งย้อนไปสู่อดีตได้ไกลเช่นในวัยเด็กอายุเพียงสองสามขวบก็ระนึกได้เป็นตน้น ลักษณะของสติจึงเป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆที่ผ่านมาและปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเข้ามาไว้ข้อนี้ท่านอุปมาว่าอาการของสตินั้นเหมือนกับการที่บุคคลรวบเอรวงเข้ามาไว้แล้วก็ตัดด้วยเขียวเขียวที่เข้าไปตัดนั้นก็เปรียบเหมือนปัญญา งานของสติกับปัญญาจึงเป็นงานที่มีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมพันธ์กันแม้บางคราวองค์ธรรมจะแสดงไว้<า>เพียงองค์เดียวก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องมีทั้งสององค์เสมอไปบางคราวแสดงไว้เฉพาะปัญญาแต่พอถึงชั้นของการปฏิบัติก็ต้องมีสติอยู่ด้วยบางคราวแสดงไว้เฉพาะสติ แต่พอถึงคราวปฏิบัติก็ต้องมีปัญญาอยู่ด้วยบางคราวท่านจึงใช้คำว่าระลึกรู้หมายความมาระลึกได้ด้วยรู้ได้ด้วยจึงป้องกันความผิดพลาดต่างๆไม่ให้บังเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งนั้นเป็นการใช้สติปิดกั้นกระแสของอารมณ์ต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ทำหน้าที่เฝ้าประตู จะต้องรู้ว่าใครมีสิทธิเข้าไปหรือไม่มีสิทธิเข้าไปผู้เฝ้าประตูจะต้องระลึกได้เช่นสถานที่ราชการต่างๆยามปล่อยใครเข้าไปนั้นเขาต้องระลึกได้ว่า<ป>คนนั้นมีสิทธิเข้าไปได้หรือไม่มีสิทธิจะเข้าไ ป, ไปถ้าไม่มีสิทธิจะเข้าไปเขาก็ปิดกั้นเอาไว้ไม่ยอมให้เข้า<ป>งานของสติลักษณะหนึ่งเป็นเช่นนี้ ด้วยอาศัยปริยัติคือการศึกษาและเรียนของบุคคลมาเป็นอันมากก็กําหนดแยกอารมณ์ต่างๆได้ว่าอารมณ์ใดที่เข้าไปสู่จิตใจแล้วก็ให้เกิดความสงบเย็นเป็นความรู้เป็นความสะอาดของจิตใจก็ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นเข้าไปสู่จิตได้ แต่ถ้าอารมณ์มันไดเมื่อเข้าไปแล้วทำใจให้ขูนมัวเศร้าหมองกระสับกระสายไปด้วยเรื่องราวต่างๆก็ปิดกัน้นอารมณ์เหล่านั้นไม่ให้เข้าไปงานในลักษณะนี้บางครั้งท่านใช้คำว่าสํารวมระวังซึ่งเป็นงานของสติที่ใช้สํารวมระวังประสาทสัมผัสของตนเวลาตาเห็นรูปผูฟังเสียงจมูกดมปลิ่นลิ้นลิมรส กายถูกต้องปุถะภาและใจตรึกนึกถึงอารมณ์ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าอารมณ์ทั้ง6ประการนี้อ า, อาจจะก่อให้เกิดเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับพื้นจิตของบุคคลที่ไปกําหนดอารมณ์เหล่านั้นเป็นประการสําคัญถ้าหากว่าอารมณ์ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะก่อให้เกิดความกําหนัด ความขัดเคืองขึ้นภายในใจสติก็ปิดเอาไว้แต่ถ้าหากว่าก่อให้เกิดสุขสมนัสเป็นต้นก็ปล่อยให้เข้าไปดังที่ได้ว่าไปแล้วเพราะอารมณ์ที่เข้าไปสู่จิตถ้าหากว่าเป็นอกุศลแล้วจะแบ่งออกมาเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกคือกอให้เกิดความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้น ได้แก่อารมณ์ที่ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรานาน่ายินดี <c oughs> เวลาเห็นรูปเช่นนั้นได้ยินเสียงเช่นนั้น <c oughs> ความกำหนัดความยึดจิตก็บังเกิดขึ้นภายในจิตใจ <c oughs> อีกจำนวนหนึ่งนั้นจะออกมาในรูปของความขัดเคืองความไม่ยินดีความหงุดหงิดความกระทบกระทั่งทางจิตใจ <c oughs> ก็ได้ได้แก่อารมณ์ที่ใจไปกาหนดว่า ไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอีกประการหนึ่งนั้นอารมณ์ที่เข้าไปแล้วก่อให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาไม่เข้าใจชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดนั่นเองแต่ว่าใจไปเก็บเอาไว้มากกลายเป็นความลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้น มีอาการของโลภะกับโมหะชัดเจนขึ้นภายในใจิตใจอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นออกมาในรูปของความมัวเมาประมาทซึ่งเป็นลักษณะของความขาดสติแห่งบุคคลนั่นเองการจําแนกอารมณ์ออกไปในลักษณะนี้ว่ากันตามหลักแล้วก็เป็นการจําแนกไปตามลักษณะของกิเลสซึ่งเป็นตัวอากุศ ล, ละมูล ที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลที่ก่อให้เกิดกำนัดก็เป็นเรื่องของโลภะที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองก็เป็นกิเลสกลุ่มโทสะที่ก่อให้เกิดความร่มหลงมัวเมาก็เป็นกลุ่มของโมหะแต่ในทำรนองเดียวกันก็มีส่วนเจือของกิเลสอย่างอื่นอยู่ด้วยอย่างโมหะนั้นแกจะต้องเจือทุกส่วนของกิเลสที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะโมหะเป็นมูลรากของกิเลสทั้งมวลอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วเรื่องของสติหรือความมีสตินั้นโดยลักษณะขององค์ธรรมแล้วก็เป็นอันเดียวกับความไม่ประมาท <Okay. S 1> เวลาอธิบายความไม่ประมาทท่านจึงแก้ว่าได้แก่การที่จิตไม่อยู่ปราศจากสติคือความมีสตินั่นเอง และสิ่งที่บุคคลไม่ควรประมาทก็คือในชั้นของการระวังใจซึ่งเป็นชั้นของการละเอียดระวังใจไม่ให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาในอารมณ์ทั้งลายซึ่งแน่นอนจะต้องอาศัยสติเป็นตัวปิดกั้นอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้แม่เข้าไปสู่จิตแต่ว่าการใช้สติชั้นของการบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้น ไม่ว่าจะทรงอธิบายสติในส่วนใดก็ตามจะทรงเน้นไปที่สี่จุดด้วยกันคือให้มีสติระลึกถึงเรื่องของกายบางคราวก็ระลึกโดยรวบไปเลยทั้งกายบางคราวก็ระลึกโดยย่อยกายออกเป็นส่วนๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานบา ร, รมีธรรมของบุคคล ที่อาจเรียนรู้ที่อาจระลึกเรื่องร่างกายได้โดยอารมณ์ใดก็ให้ระลึกโดยวิธีนั้น อ, อย่างในสติปัฏฐานสีที่ได้แสดงมาแลวนั้นเป็นการจําแนกแสดงโดยพิสดารออกไปเพื่อ<ป>ให้บุคคลแยกแยะกายกกออกเป็นส่วนๆแล้วก็ตั้งสติระลึกมีสติอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นซึ่งจะเป็นอารมณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ เมื่อระลึกไปแล้วผลจะออกมาเช่นเดียวกันคือเข้าสู่ความสงบโดยลำดับอีกประการหนึ่งก็สอนให้ระลึกในเรื่องของเวทนาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดไปเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเกิดขึ้นโดยลำดับตามเหตุตามปัจจัยดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกลางๆบ้าง เมื่อประสบเวทนาที่มีลักษณะต่างๆกันอย่างนี้เวทนาก็ออกมาในรูปของความสุขความทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขตามเหตุตามปัจจัยให้เกิดเวทนาเหล่านั้นก็ทรงสอนให้บุคคลตั้งสติระลึกถึงเวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆเวทนาที่ใช้จึงเป็นเวทนาที่เป็นปัจจุบันในเบื้องต้นเพื่อคุมใจให้ส ง, งบอยู่ในเรื่องนั้นเสียก่อน เมื่อเห็นเวทนาในปัจจุบันชัดเจนแล้วก็ค่อยน้อมพินิษพิจารณาไปในเวทนาส่วนอื่นท่านี้เป็นเพราะอะไรพเพราะทดลองกำหนดสังเกตพินิษพิจารณาให้ดีจะพบว่ า, านนนวคนบางคนมักจะฝ่ายขวัญถึงอดีตที่ตนรักใคร่ยินดีพอใ จ, จใจก็จะกำหนดหมายึกนึก ถึงอดีตของตนที่ผ่านมาปรารถนาที่จะประสบพบกับอดีตเหล่านั้นบางคนไม่ยินดีในปัจจุบันเหมือนกันแต่ก็ไขว่คว้านอนาคตต้องการที่จะประสบสุขเวทนาต่างๆในอนาคตแต่เมื่อใจของบุคคลมากําหนดดูเวทนาที่ปัจจุบันแล้วว่ามีลักษณะอย่างไรเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยอย่างไรแล้ว ก็จะถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาปัจจุบันโดยมองเวทนาอดีตอนาคตอย่างละเอียดใกล้ๆกล้เลวประณีตก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความปล่อยวางในเวทนาก็จะบังเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งทรงสอนให้ดูเรื่องของจิตที่เป็นปัจจุบันเหมือนกันคือดูจิตในขณะนั้นๆ เช่นว่าจิตมีราคะเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโทสะแม้จิตไม่มีราคะโทสะโมหะเป็นต้นก็ให้รู้โดยธรรมนองเดียวกันก็แสแดงว่าสติจะต้องอยู่กับจิตในขณะนั้นนันระลึกดูจิตของตัวเองเป็นเบื้องต้น หลักการของพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการตั้งสติระลึกกายเวทนาจิตนั้นเป็นการสอนให้รู้ที่ตัวในเบื้องต้นสอนให้บุคคล ร, รู้จักตัวเองก่อนแล้วก็ไปรู้จักคนอื่นให้เข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ไปเข้าใจคนอื่นเพราะถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักตนเองจะไปรู้จักบุคคลอื่นไม่ได้ การจะวิเคราะห์ตรวจสอบความผิดต่างๆในชั้นของศีลก็ให้ตรวจดูที่ตนเช่นเดียวกันจึงจะไปตรวจดูที่คนอื่นในตอนหลังการปฏิบัติในลักษณะนี้จึงใช้ได้ในชั้นต่างๆของการดำรงชีวิตแม้ในเรื่องของศึกสงครามอย่างที่เขาพูดกันก็บอกว่ารู้เขารู้เรา คือถ้ารู้ทั้งเขาทั้งเราแล้วโอกาสจะชนะนั้นมีได้ง่ายแต่ถ้ารู้แต่เขาหรือรู้แต่เราโอกาสที่จะแพ้ก็มีได้ง่ายเหมือนกันถ้าไม่รู้จักทั้งเขาไม่รู้จักทั้งเราแน่นอนว่าต้องแพ้ด้วยประการทั้งปวงพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเราในเบื้องต้นและรู้จักเขาในโอกาสต่อไปดังนั้นเวลาปฏิบัติ ชั้นของชีวิตประจําวันจึงมักจะเน้นให้ทําตนเป็นอุปมาอย่างในชั้นของศีลเป็นเรื่องของการทําตนเป็นอุปมาทั้งหมดมคือทําตนเป็นอุปมาว่าการกระทําเหล่านี้ถ้าคนอื่นทําแก่ตนตนไม่ชอบเมืเ่อตนจะไปทําแก่คนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเช่นเดียวกันก็จะเกิดเจตนาวิรัตงดเว้นไม่กระทํำ ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติเอาไว้ในชั้นของธรรมะซึ่งทรงสอนให้มีสติระลึกเป็นการจำแนกธรรมะทั้งมวลไว้ในที่เดียวกันธรรมะนั้นถึงแม้จะมีโดยอเนกกระปริยายาในยตกต่างๆแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะมีเพียงสามกลุ่มเท่านั้นเองคือกลุ่มที่เป็นกุศล กลุ่มที่เป็นอกุศลและกลุ่มที่เป็นกลางๆงการจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนั้นในขั้นต้นบุคคลอาจจะกำหนดระลึกโดยอาศัยตนนั่นเองเป็นฐานในการกำหนดแยกแยะธรรมะว่าอะไรที่เป็นอกุศลจะต้องมีความเดือดร้อนที่ตนก่อนแล้วก็เดือดร้อนไปถึงคนอื่น ผลของอกุศลจะเป็นทุกข์ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นกุศลนั้นจะมีความสงบเย็นบังเกิดขึ้นแก่ตนก่อนแล้วก็มีความสงบเย็นสงบเวนสงบภัยบังเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นส่วนที่เป็นอัปยากฤษตคือที่เรียกว่ากลางกลงนั้นโดยตัวของมันเองแล้วจะไม่เป็นอะไร คือไม่เป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งอกุศลแต่พร้อมที่จะเป็นกุศลและอกุศลก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับใจของบุคคลไปกำหนดหมายก็ยยคล้ายๆกับเครื่องมือเครื่องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งตัวของเครื่องมือเครื่องใช้นั่นเองก็เป็นกลางๆสุดแล้วแต่ใครจะน้อมไปใช้อะไรแม้ซ่อมซึ่งใช้ในการรับประทานอาหาร ถ้าบุคคลมีจิตเป็นอกุศลอาจจะใช้ไปแทงคนอื่นก็ได้แต่ถ้าบุคคลรู้ว่าใช้ทรรมอะไรก็ใช้ไปตามหน้าที่ของซ่อมนี่เป็นตวัวเป็นการกำหนดกว้างๆว่าอะไรเป็นกุศลหรืออกุศลทรงสอนแยกแยะธรรมะออกไปทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลและกลางๆเพื่อให้บุคคลรู้สภาพของ ทำเหล่านั้นเมื่อรู้สภาพของทำเหล่านั้นแล้วก็จะกําหนดระลึกเห็นโทษของอกุศลที่บังเกิดขึ้นใจก็จะน้อมไปในการกําหนดละคือตัดกระแสของอกุศลเหล่านั้นด้วยปัญญาอย่างอุปมาที่กล่าวในตอนต้นว่าเป็นการรวบอกุศลมาไว้หรือว่ารวบรวงข้าวมาไว้แล้วก็ตัดด้วยเขียว ส่วนที่เป็นกุศลก็ทานองเดียวกันเป็นการรวบรวมกุศลเอาไว้แล้ววินิจฉัยด้วยปัญญาน้อมนำกุศลเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติส่วนที่เป็นกลางๆางเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่โดยปกติวิสัยไม่ได้ทรงสอนให้กาหนดละและไม่ได้สอนให้กาหนดบาเพ็ญอะไร แต่สอนเพียงแต่ให้กำหนดรู้ไว้ว่าอะไรเป็นอะไรท่านั้นเพราะจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เนื่องจากเป็นธรรมชาติธรรมดาเช่นความแก่จะแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ได้พวกนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องกลางๆเรื่องของสติที่ทรงใช้ให้มีสติมานั้นที่แปลว่ามีสตินั้น ในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วจะพบว่าตัวความเพียร น, นั้นเป็นตัวคุมอยู่ข้างหลังเหมือนกับแรงผลักดันยานภานะต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายชั้นของสมถสติจึงอยู่ข้างหน้าปัญญาอยู่กลางความเพียรอยู่หลังแต่พอชั้นของวิปัสสนาปัญญาจะอยู่ข้างหน้าสติอยู่กลางความเพียรจะอยู่หลัง ธรรมะทั้ง3ประการนี้เมื่อบุคคลปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็จะเข้าถึงความสมบูรณ์ด้วยสมามใบจัญญะและสมบูรณ์ด้วยสติพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าสติวิปุโลคือเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งสติความพลั้งพลาดต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้เพียงเล็กๆน้อยๆก็ตาม เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าสติมาสุขเมทติผู้มีสติย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้สติจึงเป็นภาเวตประธรรมที่บุคคลจะต้องกระทาบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นโดยอุบายวิธีดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป